พรมนิคมคาถาในการกอรทําที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไวปรากฏในแค้นเมคดพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอเหล่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตัดสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีสมันตะจักสุ บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชั้นใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วก็ชั้นนั้นโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือทำแล้วจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความโศกและถูกชาติชาราครอบงำได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด จ, จาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงแสดงธรรมเพราะจะมีผู้รู้ธรรมเมื่อเท้าสัมบรีพรมได้กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับเท้าสัมบดีพรมว่าพรมแม้เราเองก็มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ จะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราพรมนหมอนึ่งเล่าอณัตชริยะคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏจำแจ้งแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสพรหมเมื่อเราพิจารณาแจ้งชัดดังนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการขวนขวายน้อยหาน้อมไปเพื่อแสดงธรรมไม แม้ครั้งที่สองท้าวสมบดีพรมก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมเพราะจะมีผู้รู้ธรรมแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าพรมแม้เราเองก็มีความคิดว่าหาน้อมไปเพื่อแสดงธรรมไม่แม้ครั้งที่สเท้าวสมบดีพรมก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ